สงครามโลกมันก็รื่องถายเรืงขันเรื่องทําลายสมบัตเิเรื่องทองต่างๆทำล า, า, ายจิตใจคุ้มกันลกันสงครามภายในถ้นาเกิดระหว่างพิเรกกับใจ น, นี้เป็นเรื่องทําลองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเส้นเดียวกันนฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้อของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคุเยเลือดนี้มันมีมากมันลุกลามขึ้มากเป็งไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสูงอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเรื่องนี้ว็เป็แต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพราะเรียกว่าสงคราม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 หากขณะใดหรือเวลาใดวันใดที่เหลือชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความพาสุเกเย็นใจที่เหลือเหมาะไปช่วการเช่วเวลาเรามีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระไี่ด้วยการต่อสู้กันโดยวคธีการต่างๆเช่นเดินเป็นกลมนั่งสมาธิภาวนาแาก้ไขตางสติปัญญา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 เพื่อมีความทอดถอนมีความอิจนาอาใจต่อความท่าเปลี่ยนที่จะก้าวไปโดยลําดับดับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงจะรู้ถึงธงดัง่งพระพธิสัตว์ท่านยกไว้ในแทรสูรูปหกทิพโสขาวาวหรืออา่านเยรุขมูลเอรวา่ า, าวขึ้นญาตาเร็วทิฆะวุเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมอยู่ในลุขมูลโลไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสตร์เาเข้ามาสนิทจิตแน่อยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความตัวที่เกิดบุพ์า น, นิจน ใ, นใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุเฉลกสะห้าอ า, อายเรยาทะในพระกักสู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 ยพระพุทธเจ้าพอดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านลำบุญลำบานลำบากหลักกรรมมา็นชุดแคบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุกธทางธรรมท า, ทางสนางาาันนิบา้ของพวกเรานี่เราผู้ ด, ดําเนินตามท่านจทงก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลําบากลาบน่นบางครัง้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย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 เวลาหอนตุตรงน้นในสัาบัตราเย็นิทธิ์มันจะได้มีเว็นแจกันกันอเมยาประชาหอนตุตรนันาัตรอาค่าอาห่าอย่าได้เบียดเบียนกันสนราาหนตุสุขีจารยนังเผยหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดย่วกันเถิดนี่กาสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกคนแจกจตายด้วยกันนั้นให้เห็นอกเดินใจกัน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 จิตะมีความเบาสว่างกราจ่างแจ้งสลัปัดยิ้ได้ทั้งหมดจิต ก, ก็เป็นยิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกหองไตรลนะักณนั่นแหละทันเรียกว่านิพพานจะ เ, ออเรียกว่าอะไรก็ได้ออไถึงขั้นนี้แล้วประมาณทั้งนัน้นขอให้ทุกๆ ท, ท่า น, น, นแต่ทุกปฏิบัติวันนี้รู้สึกว่าหน่วยเพลียเพลิดมาคอยจะ อ, อะไรนะไม่ใช่มไม่หันหันหันซุกอันนั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิ้หัวอยากอะไรไม่อยากนะกเฉยมาเอาละขอฤทธิิตเหมือนกันใหันดีอดีกดอกเฮ้ยราวัานะางแล้วใส่กรงทองให้เขาพุดขัมารยาตรีพดขมารยาลรงฟังไดกว่าพุดขันมารยาลิ ง, <c oughs> พ, ลงพูดอะไรๆก็ให้ิีตังตก็ปลมรีใช้เวลา นี่เราจะดนตอนไหนแล้วก็ไปตล่อ ย, ยอไปว่างันพอปล่อยแล้วก็ลีนตัว น, นี้ให้ปลป่อแล้วปล่อยจะฝุงลีนพอป ล, ล่อยแล้วลีนตอนนี้โดดลงน้ำโดดลงน้ำาลง้ลงยุ่งไปหมดแล้วนี้ทาไมไปต้องลีทั้ ง, ง, งหายก็เหม็นลงไปเล่นน้ากันเหง่าแล้วเขามันจะเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น